ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเรากำลังเจริญสติแต่เรามีปัญหาเรื่องความคิดมากของเราเนี่ยเราก็อย่าไปห้ามความคิดเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความคิดเลยเลยไม่ต้องไปตั้งใจคิดอะไร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 เนี่ยหลว่อเทียนก็บอกเอาไว้ถ้าว่าเราเจริญสติเห็นความคิดบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆถ้าเรารู้ทันความคิดบ่อยๆเนี่ยรู้อย่างต่อเนื่องพอคิดปั๊บรู้ปุ๊บคิดปั๊บรู้ปุ๊บมันจะเกิดสภาวะที่มันมันแตกเพละขึ้นมาเลยเนี่ยตรงเนี้ย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 คือการเจริญสติบ่อยๆเี่ยเอาสติมาคล้องจิตเอาไว้ความคิดมันก็เข้าไม่ถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องดับ ท, ทันทีเกิดแล้วดับ ท, ทันทีเนี่ยเกิดปุ๊บมันดับปับ๊บเลยถ้าเรามีสติรูทนะ้ทันนะอันเนี้ยสําหรับนักปฏิบัติอย่าท้อแท้เวลาเราคิดมากมก็ปล่อยให้มันคิดไปดีแล้วเราจะได้เจริญสติได้มากมาก